ถ้าใจของเรา ม, ามีธรรมะเมื่อไรถ้าธรรมะมาสู่จิตใจของเราเมื่อไรนะจิตใจมีความสุขอย่างมหาศาลไม่รู้จะเปรียบกับอะไรนะคนในโลกวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตเลยความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขเหมือนเงาวิ่งไปวิ่งไปนะเหมือนจะหยิบมาได้เหมือนจะจับไว้ได้แปบเดียวก็หลุดมือไปอีกละต้องวิ่งหาอีกอย่างหนุ่มๆใช่ไหมอยากมีแฟนสักคนคิดว่ามีแฟนแล้วมีความสุขอนะไรย่งี้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 ความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตใจก็ถูกบีบคั้นเมื่อนั้นจิตใจถูกบีบคั้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนถ้าเรารู้ทันนะว่าอ๋อความอยากมาันมาอย่างนี้นะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานีเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะเราก็จะเข้าใจว่าความทุกข์มันมาในกายได้ยังไงมีกายอยู่นะความทุกข์มันก็บีบคั้นร่างกายอยู่นีไม่รอดเลยนะสุดท้ายต้องถูกความทุกข์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 ใจทำอะไรดูออกไหมใจทำอะไรใจวิคิดใจวิคิดเป็นส่วนใหญ่นะจิตนีไปคิดทาไมมันอยากไปคิดมันมันอยากอยากรู้เรื่องจิตอยากรู้เรื่องนะจิตขนันีไปคิดคอยสังเกตใจเรื่อยๆนะใจมีความอยากขึ้นมาจิตใจก็มีการทำงานมีความดิ้นรนขึ้นมาดูง่ายๆดูไป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 รู้ทันเพื่อว่าวันหนึ่งจะเห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมานะั้นล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นอย่างความอยากเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นในความอยากอยู่ชั่วคราวแล้วนะความอยากก็หายไปความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติร euh, ู้ทันเราก็จะเห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจลอยใจแอบไปคิดใจฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็หายไป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 ทำสมาธิอยู่22่สิบสองปีนะทำอาณาปนสติอยู่22ปีได้ได้ความสุขความสงบแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญานะไม่เห็นความจริงของกายของใจเราก็คิดแต่ว่าทําสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดมรรคผลนิพพานทํา ม, มายี่กว่าปีไม่เห็นมันจะมีมรรคผลนิพพานตรงไหนมีแต่ความสงบนะแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบหมุนเวียนอยู่แค่นี้เอง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 มีไหมไม่มีจะได้เลิกเ <c oughs> มื่อวันวันศุกร์นะหลวงพ่อปิทเทศที่7ซเว่นอีเวนคนเขาเป็นพันเหมือนกันแนะต่เวลาถามนะพิธีก่อนเขาบอกเลยห้ามถามธรรมะส่วนตัวนะปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> เป็นอย่างนี้ห้ามถามให้ถามธรรมะส่วนรวมเราฟังนี่ธรรมะส่วนรวมอยู่ถามได้ไงเนาะ <c oughs>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 เราบังคับให้มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันหลวงพ่าบอกมันต่างกันต่างกั น, นต่างกันเนี่ย น, น้นนะคำ ว, ว่าจิตตานุปัสสนาไม่คำสามคํารวมกันนะคําว่าจิตคําว่าอนุควาว่าปัสสนาคําว่าปัสสนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตตามเห็นเนืองๆซึ่งเวทนาตามเห็นนะไม่ใช่ไปจ้องไว้ก่อนจิตเนี่ยถ้าเราไปจ้องไว้มันจะนิ่งกลายเป็นการเพ่งจิต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 การว่ายน้ํามีกี่ท่าตายตายตายสถานเดียวงั้นอย่าประมาทนะฝึกเอาสู้เอานะเราไม่ใช่คนโง่เราฝึกได้อยาจะถามหลวงพ่อว่าต้องแบบไหนถึงจะถูกกัจจลิตรของหลวงค่ะอะไรนะต้องปฏิบัติแบบไหนถึงจะถูกกัิตรของหลวดูกายบ่อยๆเราเป็นคนที่รักในกายนี้เยอะนะรักแล้วก็ห่วงแหนร่างกายนี้มากเลยถนุถนอมอู้สวยงอนอย่างนี้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 แล้วผมจะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อครับว่าดูจิตไปเลยนะของคุณเป็นนักคิดครับชอบคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ดูจิตไปเลยครับผมค ร, บครับขอบคุณครับครับการนมัส ก, การหลวงพ่อครับขอโอกาสทำสักสามคำถามครับคำถามแรกผมปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มันดูมันนิ่งๆครับไม่ทราบว่ามันต้องแล้วมันนิ่งมันติดนิ่งเราไปสร้างสภาวะหนึ่งนะโล่งๆว่างๆนิ่งๆแล้วเราก็ไปเกาะอยู่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 หายใจก็ได้พุทโธพุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันก็มาพุทโธอีกพุทโธพุทโธใจนิพิทคิดแล้วก็รู้ไม่ชอบพุทโธแล้วชอบอะไรล่ะชอบดูลมหายใจอรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปพอใจลอยไปก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หายใจไปแล้วคอยรู้ทันใจไปขอาคุณอยากไปเริ่มต้นด้วยการหายใจแล้วก็น้อมใจให้นิ่งนะรู้สึกไหมเวลาเริ่มต้นหายใจเขาจะน้อมเข้าไปน้อมไปอยู่กับลม แล้วมันจะเลื่อนๆเลิบๆไปพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าให้ใจให้เคลิบพยายามฝึกตัวนี้เยอ ะ, ะๆะต่อไปนะอยู่ในโลกข้างนอกนี่ยพอใจไหลแวบสติมันเห็นเองเลยยังไม่มีสติตัวจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อยังมันติดสมถอะอก็คือต้องให้คอยรู้ทันนะเวลาอย่างรู้ลมหายใจคุณส่งใหม่ไปก่อนแล้วคุณหายใจ ส่งใหม่แล้วก็นั่งหายใจไปต้องส่งใหม่ไปเดี๋ยวทำเขาตกแตกเอาหายใจไปใจฟุ้งซ่านดูออกไหม อ, อ, อย่างนี้ใช้ได้นะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรือว่าจิตฟุ้งซ่านนะดูไปด้วยอ่ะตลับไปกราบนรัษนะการหลวงพ่อครับพอดีผมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาสักส3เดือนแล้วก็เริ่มเริ่มดูจิต ด, ดูใจนะครับหลวงพ่ อ, เ, อ, อเมื่อแรกๆเนี่ย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 ต้อค่อยๆหัดสังเกตไปเรื่อยกิเลสเนี่ยเกิดตลอดเวลาแหละเช่นเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนั้นก็หลงไปนั่นแหละก็เป็นกิเลสแล้วเป็นโมหะอยังขนาเนี้ยหลงแล้วรู้สึกไหมเ อ, อ้จิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วเนี่ยคอยรู้ทันนะกิเลสเกิดทั้งวันนะ่ะแต่ว่ากิเลสบางอย่างละเอียดเราดูยากกิเลส ท, ที่หยาบๆเราก็เห็นก่อนก็ดูง่ายนะพอภาวนาไปแล้วกิเลสจะยิ่งละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อย ยิ่งภาวนาไปมากเลยนะต่อไปนะกิเลสจะหน้าตาเหมือนกูสนเลยดูยากที่สุดเลยนึกว่ากูสนด้วยซ้าไปเช่นใจของเรานะไปว่างสว่างสบายรู้ตื่นเบิกบานสบายอยู่นะนะมองไม่เห็นว่ามีราคาแทรกอยู่พอใจในความว่างว่างความสบายดูยากแล้วนะหรือบางทีใจค้นคว้าธรรมะพิจรารณาธรรมะเรานึกว่าจิตเดินปัญญาความจริงจิตฟุง้งนซะ่านเนี่ยค่อยดูนะบางทีดูยาก แล้วแล้วที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับก็ดีนะแต่ว่าใหญ่ไปบังคับจิตมากไปกดมันมากไปครับแล้วแล้ ว, ลวบางครั้งเวลาที่ผมเไปทำทำวัดเย็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าแบบจี้จี้ขึ้นมาที่กลางหน้าผาก บ, บังคับตัวเองมากไปต้องปล่อยปล่อ ย, อยมันไ ป, ใ ห, ปให้เป็นธรรมชาตินะครับแต่ตอนนี้ก็พอรู้ได้พอ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 กวาดไฟแล้วก็โมโหคนอื่นมาทำาสกปลกเราทำสะอาดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรู้ว่าโมโหโนะเคลื่อนไหวร่างกายไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปพื้นฐานของคุณต้องรู้จิตนะเอากายมาช่วยนิดนึงเพราะสมาธิไม่พอค่ะขอบนุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอขอโอกาสเล่านิดนึงพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะย่อๆสุนทรจนดไม่ต้องนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่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 มองไม่ค่อยเห็นเลยหลวงพอ่อค่ะทาไมความโกรธหนูมองความโกรธไม่ค่อยเห็นหนูเริกเหมือนนางมารร้ายขึ้น<ก>มา <le> แล้ค่ะก็กิเลสค่กิเลสมันก็พลิกแปลงไปนะตัวไหนรู้ทันแล้วมันก็หลบๆลเลี่ยงไปค่ะตัวไหนยังไม่รู้ทันก็มาหลอกเราใหม่ค่ะอย่างตอนเนี้ยมันเริ่มภูมิใจแล้วรู้สึกไหมรู้สึกมันชักจะภูมิใจว่ากูเก่งกูเก่งขึ้นมาแล้วนะไปรู้ทันตัวนี้แหละนี่ก็กิเลสนะแม้มันเปลี่ยนหน้าตาไป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 ให้กันบ้านนะพูดให้น้อยเคลื่อนไหวให้เยอะอ้า่ตอไปแต่ก็ยังไม่ยอบเลิอีกนิดนึงค่ะลูอ้าวว่าไปก็ก็ใช้รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็อาจเปลี่ยนเป็นใช้คำบริกรรมสลับกับการรู้ลมหายใจใช่ไหมคะแล้วก็แต่ก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคอยไปดูเห็นแม่ใจเรามีแรงดัน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 เนี่กรรมฐานหลวงพ่อไม่มีกรรมฐานขี้เกียจใช่ไหมมีแต่ยุให้ไปทำงานค่ะครบที่จัดเตรียมไว้15ท่านแล้วค่ะหลวงพ่อยังได้อีกสองสามคนมั้งอีก 2-3 มคนมีอีกไหมมียกมืออย่าทะเลาะกันนะนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคนแย่งกันเรียนธรรมะ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 ว่าเราจะต้องได้อาภินยากร น, นะแต่ถ้าใจใฝ่ฝันอย่างนั้นก็ไม่ห้ามนะคุณไปดูกระสินน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมก่อนอ น, น้ำทำไมจึงเหมาะสมกับน้ำนครับเออไม่บอกหรอกมันจะได้เย็นแต่แต่สมัยสมัยในคั่งในคังพุท ก, การที่สำเร็จเป็นพ่อหานง่ายเพราะว่าในใน ก่อนนั้นน่ะได้ได้มีการเพราะว่าคนที่จะเกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในช่วงนั้นก่อนนั้นน่ะเขาได้เคยเจริญสติปัฐานสี่ก่อนมาใช่ไหมครับต้องเจริญนะเขาให้เวลาเขาได้ได้ฟังพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สําเร็จได้บรรลุได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเขามีเพื่อนเดิมอยู่แล้วครับแต่คนที่เจอพระพุทธเจ้าน้ะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็มีนะเจอแล้วตกนรกไปเลยก็มีเจอแล้วไม่นับถือเลยก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่นับถือพระพุทธเจ้า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 จิตใจเคลื่อนไหวเราก็เป็นแค่คนดูไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยฝึกไปอย่างนี้นะอย่าไปเล่นเลยการสงกระสินเสียเวลามีคนมาบอกหลวงพ่อนะเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณนอบอกท่านเจ้าคุนนอวิจารณ์ว่เสียเลยบอกกสินเป็นกรรมฐานข อ, ของคนโง่ท่านว่าอย่างนี้เลยนะเอาได้อีกหนึ่งเอาหนึ่งก็ได้สองก็ได้อ่อใจดี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 ยถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิจังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโอยถามณีโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชชนตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะ